เคยมีชายหนุ่มนะกับเพื่อนมาเยี่ยมอาตมานะก็ไม่เคยรู้จักกันหรอกนะก็อยากจะมากราบมาสนทนาธรรมคุยกันได้สักพักแกก็บอกว่าขอธรรมะสำหรับการดาเนินชีวิตอาตมาก็ตอบไปว่าให้พยายามอยู่กับปัจจุบันเขาก็ทำสีหน้าเหมือนกับว่าแค่นี้เองเหรอนะ นึกว่าจะได้ฟังธรรมะที่มันายากยากกว่านี้หรือคิดว่าอยากได้ฟังธรรมะที่มันสาคัญกว่านี้เพราะขอยจะรู้สึกว่ามันง่ายไปนะไม่เห็นจะสลับสาคัญยังไงหรือมีคุณค่านะากแต่แกก็ไม่พูดอะไรสักพักแกก็คุย เ, เรื่องต่างๆเสร็จแล้วก็มาปรับรบนะถึง ตัวเองก็พูดว่าตอนนี้นะจิตใจมันฟุ้งซ่านมากเครียดนะจนบางทีนอนไม่หลับอาตมาก็เลยบอกว่านั่นแหละเป็นเพราะใจไม่อยู่กับปัจจุบันสิ่งที่อาตมาได้แนะนําไปเนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่แกต้องการอยู่แล้วนะเพราะว่าที่เครียดเนี่ ย, น, ยนะก็เพราะว่าใจมันฟุ้งซ่านนะ แล้วฟุ้งซ่านนี่ก็ไม่ไฟุ้งซ่านเรื่องอะไรนะก็หนีไม่พ้นสองเรื่องนะเรื่องอดีตกับเรื่องอนาคตนะอดีตผ่านไปแล้วอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงนาะลองพิจารณาดูนะเวลา เ, าเครียดเวลา เ, าเป็นทุกข์เนี่ยนะมันลดล้แต่เกิดเพราะความคิดและเป็นความคิดที่หลายไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างอันนั้นเ ร, เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันนะถ้ว่า พาจะให้มาอยู่กับปัจจุบันนไอความฟุ้งซ่านก็จะหมดไปมาอยู่กับปัจจุบันก็หมายความว่าอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่อันนี้ง่ายที่สุดเลยนะกำลังทำอะไรอยู่ก็ใจก็อยู่กับสิ่งนั้นอย่างเช่นเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่นะนั่งฟังอยู่ใจก็นะอยู่กับการฟังแต่พ่อถ้าเผลอใจลอยเนี่ยคิดไปถึงบ้านคิดไปถึงงาน ก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นกังวลถึงงานที่ยังคามากมายนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่คนรักเป็นห่วงหรือว่านึกถึงความสุขความสบายอิสระเสรีอาหารที่อร่อยนะีของที่กินเป็นประจำพอคิดแบบนี้เขาจะรู้สึกทุกข์กับการที่ต้องมาอยู่ที่นี่นะหรือการที่มต้องมานั่งฟังคําบรรยายแทนที่จะยังอยู่ในเตียงนะเหมือนที่บ้านนะ ให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยความหมายที่พื้นที่สูงคือว่ามาอยู่กับสิ่งที่เรากาลังทำอยู่แต่ทำยี่ได้เนี่ยก็ต้องฝึกให้มาอยู่กับนะกายก่อนนะใจอยู่กับกายนะหรือว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวผู้ยา่างก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเริ่มั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันอ่านะไม่ต้องปล่อยใจลอยนะกำลังทำอะไรอยู่ ใจก็อยู่กับสิ่งนั้นรับรู้ว่ากายกําลังทําอะไรส่วนใหญ่เวลาเราทำโน่นทํานี่นะมันมีการเคลื่อนไหวของกายทั้งนั้นแหละโดยเพราะสิ่งที่เรากิจส่วนตัวทุระส่วนตัวกิจส่วนตัวเนี่ยมันต้องอาศัยกายนะเวลากายทำนะล้างหน้าถูฟันนะถ่ายหนักถ่ายเบานะมันมีการเคลื่อนไหวของกายเอาใจก็รับรู้ถ้าใจลอยเมื่อไหร่มันไม่รับรู้หรอกว่ากายกําลังทําอะไร หรือจะรับเล่รูปรับรูบ้เป็นปั๊บปั๊บพักพักนะแล้วก็ถล่มจมเข้าไปในความคิดนเนี่ยฝึกตรงนี้แหละนะฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันมันเป็นธรรมะข้อสําคัญนะผู้เจ้ตาตัดว่าเนี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ได้แปลว่าห้ามคิดถึงอดีตนะคิดได้แต่ว่าอย่าคิดด้วยอะไรถ้าคิดด้วยอะไรนี่แสดงว่าหลงตัวลืมตนไปแล้ว อารมณ์เศร้าอะไราอาวาจถึงครอบงมเราคิดถึงอดีตได้ถ้าเราคิดโดยใช้สติปัญญาก็คือพิจารณาว่าเออที่ผ่านมาเราทำอะไรดีบ้างอะไรที่ควรแก้ไขทางานเสร็จก็มาสรุปมาประเมินผลอ่านี่ทำได้ใช้ปัญญาแต่ว่าถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สตินะอาจจะคิดวกไปเวียนมาก็ได้หรือกลุ่มอกกลุ้มใจว่าทำงานล้มเหลวอพอคิดแบบนี้เขา้า มันทุกข์นะแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยปัญญาก็ไม่ได้บทเรียนก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราพิจารณา เ, ออเราพลาดเพราะอย่างนี้อันนี้เกิดบทเรียนได้ปัญญาเพราะเรามีสติอยู่กับการพิจารณาสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตก็เือนกันวางแผนได้แต่ไม่ใช่ทําด้วยความหลงเพราะทําด้วยความหลงนี่มันก็จะเกิดความพ้วงวิตกกังวลตื่นตระหนกหรือกลัว แต่ถ้าเราใช้สติมันก็เกิดปัญญาวางแผนอนาคตปีหน้าเดือนหน้าเราจะทำอะไรวางแผนการใช้เงินวางแผนการทำงานสามเดือนสมปีก็ว่าไปอย่างนี้เกิดปัญญางานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขอันนี้เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันให้เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็รวมไปถึงว่าใจมันคิดนึกอะไรเนี่ยถ้าเผลอไปก็รู้ทันเห็นมัน อันนี้พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจม่มแจ้งไม่งอนงนอนันคลอนแคลนขอควรพักบุณาการเช่นนั้นไว้อันนี้พระเจ้าพูดต่อหลังจากที่ตัดประโยชเมื่อสักครู่เนี่ยหลังจากที่ตัดว่าเนี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพรูดถึงสิ่งนี่ย่ามาไม่ถึงเห็นธรรมเฉพาะหน้าธรรมคาว่าธรรมเนี่ยมันมีความหมายกว้างหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่รูปธรรมหรือนามธรรม ไม่ว่าเป็นสิ่งที่กําลังเกี่ยวข้องด้วยอยู่ข้างหน้าเช่นงานการหนังสือที่กําลังอ่านหรือว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาในใจถ้ามันโกรธถ้ามันโมโหถ้ามันวิตกกังวลอ่ก็เห็นมันเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วมันก็ละได้ใจก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความโปร่งเบาอยู่กับปัจจุบันยังหมายถึงว่า เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่เนี่ยมีเยอะมากมายไม่มีความสุขเพราะมันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่อยากจะมีในอนาคตส่วนใหญ่คนเราทุกเพราะเรื่องนี้นะทุกในสิ่งที่ยังไม่มีไอสิ่งที่มีมากมายเนี่ยนะถ้าเราใส่ใจมันนะมันไม่ทุกหรอกได้อะไรมาเห็นคุณค่าของมัน ก็จะเกิดสิ่งที่เรว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้คนเราไม่จะทุกสองเรื่องนะทุกในสิ่งที่ยังไม่มีหรือทุกกับสิ่งที่สูญไปไอ้สิ่งที่สูญไปคืออดีตไอ้สิ่งที่ยังไม่ได้มาหรือยังไม่มีก็คืออนาคตแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยคือปัจจุบันไม่สนใจมีมากมายเพียงใดไม่สนใจสุขภาพดีไม่เป็นโรค ร่างกายครบสามไม่พิการกินอิ่มนอนอุ่นไอ้พวกนี้คือปัจจุบันใช่ไหมเราเคยสนใจมันบ้างหรือเปล่าคนรักที่ยังอยู่กับเราพ่อแม่ลูกหลานที่ยังไม่ล่มหายตายจากญาที่ยังอยู่กับเราก็ขอบคุณนะที่ยังมีเวลาแบบนี้รู้สึกโชคดีนะที่เขายังไม่จากเราไปไม่ใช่พอเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจากไปแล้วถึงค่อยมาเสียดาย เราไม่ได้ทำให้เขาอย่างนั้นไม่ได้ทำอะไรให้เขาอย่างนี้นะส่วนใหญ่ก็มาเสียใจตอนที่เขาจากไปตอนที่เขาอยู่เฉยๆไม่รู้สึกพอใจยินดนะีหรือว่าเห็นเป็นโชคอะไรเลยนะอยู่กับปัจจุบันคือเนี่ยการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ได้อะไรมาก็พอใจพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อันนี้เรียกว่าสันโดษ น, นะสันโดษนี่พระเจ้าแต่ ว, ว่าคือทรัพย์อย่างยิ่ง ทรัพย์อย่างทีง่หมายว่เป็นทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่งทรัพย์อย่างอื่นนี่ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากได้อีกหรืออยากได้ใหม่นะบางคนมีรองเท้าเกือบร้อยคู่ก็ยังอยากได้คู่ที่ร้อยหนึ่งรมีเสื้อนะร้อยตัวก็ยังอยากได้อีกนะไอ้ที่มีนีอ่อาจจะไม่รลือกทรัพย์เามีเพราะไม่สนใจหรือว่าเห็นมันเฉย แต่ถ้าเรามีความสันโดษ น, นะมันเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเพราะว่าพอมีแล้วก็พอรู้จักพอนะทรัพย์ที่ประเสริฐคือพอมีแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกพอไอ้ทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยได้แล้วมันไม่พอนะมันอยากได้อีกหรืออยากได้อันใหม่นไะม่่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าโทรศัพท์เครื่องเล่นสมัยก่อนเครื่องเล่นซีดีหรือว่า เครื่องเล่นเกมรถยนต์ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอยิ่งคนหนึ่งเขามีมากกว่าเรายิ่งอยากได้เพิ่มอยากได้มากอีกแต่ถ้าเรารู้จักพอนะมันก็เกิดความเต็มอิ่มและทรู้จักพอเพราะว่าเรายินดีสิ่งพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อันนี้ก็เป็นการอยู่กับปัจจุบันอีกแบบหนึ่งนะคือเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามี ไม่ใช่ไปสนใจสิ่งที่ยังไม่มีหรือว่าอาลัยกับสิ่งที่สูญไปแล้วนะนั่นคือว่าอยู่กับปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เป็นเป็นธรรมะตื้นๆนะดัดดาจริงมันมีความหมายนะที่มากกว่าที่เราคิดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทําไม่ได้และที่ทุกข์ก็เพราะว่ามองข้ามหรือทําเรื่องนี้ไม่ได้นั่นเองอาแล้วก็เตรียมรับพร